ไปฤกษ์ศรีชนะไปเลยเ <Hey. S 1> ขาบอกก็อย่างนี้อาจารย์ลาผมไม่ตั้งใจเป็นอย่างไ ร, รว่าแล้วคู่วิสอธิหารวิหารแล้วก็บริเวณโหนดวัดภาพเป็นจัตวาลามแต่คือหลอดไฟสวายวัดสวายงรวมเงินรวมบาทตั้งใจจะเป็ที่ทั้งใจจะทา ใ, ให้เต็มที่ที่เป็นเงินหลายล้านบาทก็ผมขออนุญาตต่อไปนี้หนึ่งผมจะออกไปอย่างมาก สอผมจะชวนพ่อแม่ผมมาทํารับผม่อไม่ทราบว่าผ่อเห็นดีผ็พอและากนาตหรือล่ต้องลงเงินไม่ไม่ากเดื่่าือถ้าให้นะยิงดีเสมอจ้ะถ้ให้เหรอถให้นะถ้าขอต้องนานๆหน่อยเขาโมจนาด้วยนะเขาทุกคนร่วมโมจนาด้วยเขายังไม่ทําลังอาเุิเลยเขาตั้งใจเป็นมงินไดยังไม่ถึงเงินโได้ได้แล้วโมไม่ได้หมด เกดนางพิกระแหวบุญยังมาถามิีพระเจ้าบอกว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายคำว่าบุญมาจากตอนตั้งใจเพราะตั้งใจแน่ยนอนบุญมันเกิดทันทีไม่คนที่ตั้งใจจะทำบุญยังไม่เด็ดทามาตายเวลานั้นพระผู้ทงรอยเปอร์เซ็นได้ผลไครับใช่พระขาทุนไม่บอกเลยใช่ใช่ขาทุนมาหลายรายแล้วหลายรายแกสร้างมุติ จะสร้างให้ตั้งมาสิบบาทคุติราคามตั้งล้านรีบตายเลยเลยใด้แค่สบบาทเก็ยังดียังได้มั่งดีก็พ่ดจิตั้งใจที่ยังไม่ทันได<อ>้ยังไม่ทันให้โอ้ทรงว่ายังจะตั้งใจจะเวายจะให้เราก็ได้คุณ แ, แล้ว อ๋อนี่ไฟพวกเราเริ่มตั้งใจมาไหว้คนนอเราเอาตั้งใจอย่างเดียวพ่อจะม่หมดลุ้น้าเจ้ากอดเกมไม่จะกินอะไรกินใจอย่างเดียวเกิดไว้ชัดหน้าหาวบอดบอดอย่างละตัวอย่างในทั้งหมดใช่ไหมเกิดมาไม่มีอรกินเลยก็เกิดมานี่นะไม่มีเขาก็ไปทิ้งไว้กลางป่าอาศัยบุญนี้จะไปอะไันั่นมีอยู่เพราะว่าในชาติก่อนถือว่าชาในเมริสงต่ำ แค่สวรรค์ใช่ไหมแต่ความจริงเฉพาะทานบวิญญานได้แค่แม่เข้าใจนี่คือรักษารจะสิ่งของภวนาขายการให้ทานเกิดมาชาตหลังถ้อไม่มีทรัพย์สินจะกินอะไรก็ไม่ได้กินครับเพออกมาแล้วเขาไปทิ้งรังป่าอาศัยบุญรักษาใส่ก็ไม่กัดใครก็ไม่ทาร้ายตายก็ไม่ตายต่อมาพอเป็นหนุ่มมาเดินได้นะไอเจียงเขาทอดบุตรเข้ารับปรฝังไปกินรบข้งเดียว แล้วต่อมาก็มีความรู้สึกว่าการเป็นกระวาดไม่ดีเห็นไหมจะมีความสุขใช่ไหมถ้าไปบวชรล้วคูประชาจะไปพระอาหารหันต์ไปสวมพทยานวันแรกไทยนั่งแต่ยืนท้ายคนใส่บาตรแต่ตอนต้นพอจะถึงองท้ายเข้าหมดภููชาก็าบอกว่าเออวันวันลุกขึ้นหลวงชาบอกเอางี้แล้วเป็นคุณ วันอววันนี้เขาใส่ไปถึงไทยหมดไปยืนหน้าฉันก็แล้วกันเดินนาหน้าใครมาใส่ได้จะได้หมดใช่ไหมจะได้เท่าไหร่ไทก็ต้องได้ก่อนอาจารย์บอกใสบายคิดเรามาวานไี่ใส่ท้ายหน้ามาถึงไทยวันนี้เราใส่ไทยแต่หันหน้าถือว่าพอจะถึงองหน้าหมดอีกเห็นไหมขาดทันนะถ้าต่อมาวันที่สมอาจารย์บอกว่าอาาร์บอกคุณยืนกลางมันจะใส่กันไหนต้องพกตอนนั้น ก็ยืนกลางไอ้าคนใส่บาทวัน ก, ก่อนใส่หน้าไมถึงหลังวันที่วันที่สองสหลังไม่ถึงหน้าวันนี้เราแ บ, บ่งนสองพวกแหน้าพวกหลังพวกพอจยกลางหมดี <c oughs> แล้วต่อมาอีวันที่สี่อุชาบอกใจยืนข้างฉก็แล้วกันเขาใส่บาทโอที่หนึ่งไมเห็น โ, โอที่สองใส่บาทที่สามโอทีโอีีวาว่าใช่ไอ้ต่อมาอุชาต้มือจับบาท เขาจึงมองเห็นบาทเนี่ยเพราะว่าตั้งใจอย่างเดียวจไม่ดีนะ่่เอาเรื่องไม่มา่ไม่ใชไม่เรื่องิันี้ความตั้งใจอย่างดมนเยไปน่าหน้าเขาลาโจร้าโจรใช่ ้าเราเโอเกียก็ได้ตั้งใจเราครับแล้วต่อไปก็เป็นว่าหันนะอ่ไม่ได้ีกอก็มีสิ่งที่ภาวนาไว่หรเป็นอรหันดัตัตวี่เคยข้าวกินกมหายไปโอตอนตอนจะให้ไปนั่นกต้องซ้อมก่อนก็โลกขีเหนียวอะเน่ายาทยซงอะหรือมนาไม่ชวนจะบ่ายครับิ่งบ่ายพังรัวจริง ไอ้ฉันที่พูดฉันเมตตานะข่าวความกิดด้วยใช่เมตตาฉันเนี่ยคือจะเมตตายกส่งข่าวไปนั้นว่าวันนี้เราก็ได้เปนจากการพัษนาอะไรคหมอหมอศรีพนมไทยนะคณะไทยในมไทยนะวีแต่ตาองอ้าวแล้วที่ดขาจีบผมอย่างนี้ กผมเอาเงินที่ได้กำไรจากการเล่นหุ้นซื้อหุ้นขายหุ้นแบ่งมาทำบุญถามว่าจะได้อาณิสงคุณแบบงหรือไม่อนนี้ก็ครอบทุนนะเพราะไม่มีอะไรเป็นบัตมันตรงไปตรงมาไม่ใช่โกงไปโกงมาหุ้นเวลาราคาถแเราก็ซื้อใช่ไหมราค า, าขึ้นล้วก็ขายปกติ ตรงไปตรงมาไม่เป็นไรตอบตรงว่าได้ผลได้สมมูแบบใช่ใช่แอาประเทียแกบบ็นสมบเียแกสมุนแบบต้องไม่ได้โ <c oughs> กงเขาอ่ะเออเออเออเออเออเออเออเไอเออเออเออเออเออเออเออมออเออเออเออเออเออเออเออออเออเออเออเออเออเอเออเออเออเออเออเออเออเออเอเออเออเออเออเออเออออเออนาอเออเออเออเอเ คนจะได้จีแง่แย่เลยนะรถพ่อครับเอ่อควรได้ยินคาแนะนำไม่พราดตั้งแต่รถพ่อหรือองค์ไหนว่าการที่จะเอารถตั้ไว้ที่บ้านตอินี้ไม่สะดวกดังจะใช้ประหารใต้หรือเปล่าแล้วเพว่ความปลอดภัยของรถควรจะมีมังกรวัดหลวงพ่ออย่างไรอย่างหนึ่งขอให้หลวงพ่อแนะนาด้วยหนึ่งก็วามปลอดภัยเราไม่ทนเขาเขาไม่น อ่านี้แล้วการอ้ายไว้นะตั้ต ง, ตงใจเป็นมงคลให้มงคลอยู่ที่ใจอย่าเผลอที่อย่างแค้มงคลพระเจ้าต้องอยู่ที่ใจใช่ไม่เผลอทั้งที่ร atte ้านก็ไม่เผลอจอดไว้ก็ไม่เผลอตีไปก็ไม่เผลอตัเอ่อตัวไม่เผลอเป็นมงคลเป็นมงคล ตรงคนก็จะออกวัไหนอะไรก็ได้ได้ได้เขาเรียกมูคนที่สารที่เก้าอ่าแ่ี้จเรเอาละเออเอาตรงนะเมื่อไรเวลาไหนก็ได้ขอให้ใจสบายแต่แต่ที่ครับหนึ่งผมจำได้ว่าอาผมใครรอเลืให้เติม แ้กงออนะบอกว่าอะไรผ้ายอะไรจะแเใช่ผ้ยัไหมทักางใช่ใช่ใชยี้าก็คกับผ้ายันของได้ถ้าอยาบเหลอด้วยโอ้ยยังจ้าจะเหลือใช่ใจใจนี่มงคลใหญ่คนใหญ่เหลอก็มาหามงคลเลยตัวไครตัวมันไม่ต้องาหลว อตามขผมได้ไปหาเจ้าอาวาสพระสเวทสัจจะเพื่อให้ทําพิธีสะดอกเพราะมีลาบหรือข้าวลาหรือแท่นั้นพอบอกว่าลูกเป็นเด็กของลุงพ่อโอ้ยท่านเดียวดีใจเอาผ้าเก่าไหมโดยเคยถ่ายคู่กันไว้ในอันดีเอาไอ้นมมาให้กินเอาไว้ยี่มาให้แจกเงินเสร็แจกบ้าท่านสรรเสริญลุงพ่อเป็นการใหญ่อ่าที่เรียนมานี้ก็เพื่อจะบอกลุงพ่อว่า าวา่าก็เทวดาผัสท่านรักผมกอ่อมากขอให้ผมพ่อรักผมด้วยเดอ๋ยคระไม่แตงงานแลรักตกลงตกลงรักอยู่แล้วแต่จะเป็นสมัยหมาหมาวันหน้าเป็นาะใจดีมากเรีื่องเก้าใช่ใช่เป็นพระมีริ้ มีปีอะไรกันหรือเปามีอย่างงี้พอลุกระเบิลดลงวัดปังคนหน้าเหาเบปื้ดเลย <c oughs> ไม่ได้กลับอีกเลยตั้งใจจะไปอยู่บางไซเขาดึงมาอยู่ใจังหวัดนนเลยไปเจ้าคุณนี้นั่นแล้วไย้ายมาแล้ว <c oughs> ตัวเส็เลยกระชับมีริ์มากพอลงปั้นไปลงปังเหาไม่กลับเลยคมก็ไม่กลัวตายไม่กลัวเขาไม่กลัวตายกลัวลเบิดจังเดียว ใช่จดีมากทุกสิทรักมากชอบต้องเสือดีใช่ใช่โอ๊ยนี่ใครส่งทูกใจอยากก็ต้องไปบอกพ่อเลยบ้ว่าพ่อแต่หลวงพ่อว่าชกรทเจริญใจะไ้ล้จาพก้เป็นทุสิทหลวงพ่อเลยท่านให้แน่ให้อะไรฮะให้วาจาก็กลับไปได้จ้ะขอพรีไม่ได้ ก็เป็น oh. บ้าดีนะเอาีนใจเด็อ่ะต่อไปเออโอ้ลูกไม่สบายใจเกี่ยวกับอะไรน็อตตาตามมนุษย์อะไรเขาบอกว่ามันจะเป็นไงนะน็อตตาตามมนุษย์โอ้โหไม่ไหวโงนามึนาน อ, อ, อันอนี้ยังไม่เคยไปสามประเทศเราล้างสีกษาปั้นหมดแล้วพวาเขาจะพอดว่าจะเจอที่นั่นโจอที่นี่กันให้กกใหได้รู้ไปรวมเนาะให้ที่รวมคือว่าถ้ประเทศไทยจะมีรุ่งส่วนหรือเปล่าแล้วก็รู้ควรจะเอาอะไรจากหลวงพ่อเพื่อจะป้องกันเหตุร้เห ล, าล่าที่ แ่ถูกใจฝันใช่ไหาใชา่ใช่ใช่ใช่ใช่ฝันไม่มีอะไรที่แจกให้คุ้มได้มีรูมากใช่ใช่<อ>สั้งหมากทั้งคำข้าว น, ะนี่นแสดงว่าเออผมจะรู้ล่วงหน้านแล้วว่ามีอย่างนี้รู่้ ท, ท่านบอกว่าตั้งแต่ปียนแตกวีแรกหลายปีที่ยนแตกนะอเมริกาห่อไปนะ ถามท่านท่านบอกจะเกิดที่นั่นถ้าเสั่งทําพระชุดนี้ก็าทาข้าวนะที่คุ้มได้เลยเที่เรายังซือต่างๆทั้งหมดอาวุธวิทยาศาสตร์ทั้งหมดกันได้หมดที่มาเอาผมก็เลตรงเลยครับใช่ถ้าไม่ให้ตังค์ไม่ให้บ <c oughs> <c oughs> ูชาแล้วไะเตะ บ, บ, บูชาคนตะโกเปฏิวัฒนธรรมผู้บูชาเนียการบูชา ต, ตอบผู้ไหว้รับผัานไหว้ตอบ ที่เขาให้มาเราก็ให้ไปโอ้ไม่ได้ยินใช่เขาไม่ให้มาเราก็ไม่ให้ไปโอ้ยโกงไปลลมาใช่ใช่ใช่ร้านใจดีแกหาได้ไ่ให้มาก็ไม่ต้องให้ไปใช่ใช่ครับอ่าทีนี้ก็แสดว่าไม่ต้องเดือดร้อนอะไรนะลุงหลานลุงพ่อละอ่าทีนี้ลุงอถามเอ๊ะนว่าแล้วเอ่อว่าสองอย่างคือลุงพ่อมหาลากกับลุงพ่อหาหากนี่ พอจะมีพาป้องกันแก๊สได้หรือเปล่าคับได้แน่ยน่เายิงยักันได้แก๊สนใช่นิวเคลียร์กันได้แก๊สก็แค่นันหยาบกว่าแก๊สยืดเมดแล้วใช่่มาลูกเอ้มาเนี่ยทีกจรีโดนเมตุลีไม่รู้นะเขม่รูั่กเลยอเจ้าเก่งมากเก่ง เก่งมากจ้ะเอาลูกด้วยเก่งมากเลยจ้ะท่าว่าเป็นรายกรเกลือขูดพาของลูกแต่เหมือนกัลูกคนที่รักพ่อพ่อก็รักลูกมากสุดๆใที่เป็นราการท่านผู้ชมท่านผู้ชมทาน ไปด้วยการร่วมกันโดยเฉพาะอย่างนี่ก็มาหาหลงข้อเป็นประจํำแต่ว่าท่านเสียไปแล้วอันนี้ไม่สงสัยแต่ว่าสงสัยว่าการที่ส่งนคนที่รู้จักเพื่อให้ท่านเป็นเวลาชานานแล้วตั้งใจแค่ไหนหนอทึ่ไม่ยอมมาเข้าฝันออกเลยว่ารับหรือไม่รับหรืออย่างไรขอหลวงข้อช่วยสลวงพ่อลูกดยเถิดที่บอกว่าไม่มาเข้าฝันไม่จริงนะเข้ามาจะรับไม่ได้อันนี้ก็เสื่องตง เพื่อรับรับไปตินี่ก็ต้องแก้ทีเพื่อนใช่ใช่ดีเพื่อนใช่วัที่สุกมโนเท่าไหร่อาใช่ต้องไปพบกันได้เลยนะไหนะ้ายอม้ารีไม่ยอมเลยอาต้องสองคนลบกอตอานข้าวลบกอลบจำศูนยแม้ฝันไม่ดีเลยขอทิ้เดียวที่ว่าตัวเองตายไปถึงทรมานเป็นอย่างมาก พยายามโน้มนุ่มสนอย่างไรก็ไม่มีทางท่านนี่สมัยเป็นมนุษย์ลูกทำความดีเดียวแค่แต่ในฝันบอกว่าความดีของเจ้ายังน้อยเกินไปลูกจยากจะขอคำแนะนํำแล้วปฏิบัติจากหลวงพ่อว่าจะมีการทำบุญหรือปฏิบัติแบบไหนฝันก็ฝันดีตายแล้วก็ไปดีดีๆด้วยเดินทางภาวนาพุทโธไว้ถ้าฝันเจะชนะตายก็ไปดี ตอนนั้ทวนในเวลาฝันมารบ ก, กับใครในชน ะ, ะนทุกทีไม่เชื่อรองฝันเลยนี่มีทดสอบได้สอบได้ทุกคนฝันเลยอันนี้เป็นได้จริงนเาาวนาใช่ใช่ นั่นมีคนสวนมากที่รมหลั่สาต้องาไหลั่าหลังม่ยอมาเข้าันจริงเครื่องหลัก้เครื่องักเราเม่มามากคนตายก็ทำให้ลงนรกเลยทันทีนะพอตายปั๊บปเดี๋ยวเดียวมาแล้วทุกรายเหมือนกันหมดนีนามสมัยองเยี่อยากเยี่ยคนใช่ตอนว่าหงอเคป๊ัไปนี่ก็ไปเยี่ยมกคนเกิดเกิดอะตาย ไม่เกิดไม่เกิดแล้วนะเกิดแล้วเกิดแล้วตายเอาเกิดดีกว่าเอาไปว่าถ้าตายปุ๊บจะเจไหมกาไปเยี่ยมทุกคนตอนดีสองอรือเวลาออใช่จะพยกทรงถ้าพะไปขอที่ตาเดี๋ยวก่อนเอาตอนนี้ตอนเข้าเขาสวมต้องยกทรงเลยยกทรงยกทรง สายลืมรากโตแน่เอ๊ะทำไมเวลาดูไเป็นนักขอลบข้าวเสริฟเวลาตายคุณไม่กัวไม่ได้อุปราชันเขหลอกมาตั้งแต่เด็กก็หลอกอะไรชั่วคนแล้วแว่างีก็เห็นผ่เพราะว่ามีรากมาข้าใจผ พระลรมสารีนิกธาติวัตไปว่าถ้าพระผมเรียนจบเมื่อไรจะบวดทันทีไม่ยอมจุดเข้าวีนี้ผมเรียนจบแล้วแต่ว่ายังไม่พร้อมจะบวชต้องทํางานสองปีมาละร้อยแปดไม่รู้จะทำยังไงดีเราจะสามารถแค่ทำที่คนไว้ได้เอานี้แล้วกันจุดโทษบอกทันใหม่ พอจบแล้วยังไม่ว่างพอใกล้จะตายสามวันจะตายจะบวดบอกใหม่นะขาาเนี่ยใเวลาบนม่อผกาจะแก้ได้หรมเวลาละีปัาโดยเฉพาะีว่า้านมีงเวลานะเวลาจะแก้ก็จะขาดที่าคอะไรว่าลาดลายายไม่้ไม่แเดียวกันนะ ก็ไปนานว่าท่านไหมุืทุูกบอกใหม่เลยคือทุกบอกใหม่เพราะอีสามมันยจะตายยังไงจะปวดใ่ดีเลยเริ่มงก่อนศุกร์ก็ดีตายเลยนะถ้าก็ตอนนี้ผมหลงใ้ทางวิยาศาสตร์เนี้ยรักโยมระมาณไม่กป็นอย่างมากปัะจุบันนี้ก็คอยเฉยไวเพราะว่าผมมานักสึกษลกพ่อ จะเอาไปท้งกันไะได้แต่เอาไว้ก็ประเด็นคือพาอะไรกไม่ยึดถือมากเป็นใหญ่จะเรี้ยงพาคุาพ่อก็คือว่าเอาพูดไปเนเป็นทองนะเขาจะมากักแท่งี่เาโทษคนในบ้านหรือสาว่าที่จะทำในสิ่งต่อได้จะทำใหม่ทำใหม่ทำใหม่ทำหมอทำใหม่แลว หรืว่าเราสอนทำมันก็รูเลยเออค่ะทำง่ายๆพีะรไปพอมาเรียนะลงพ่อปฏิบัติลงพ่อเเลยทํามาเป็นใหญ่ก็่อยมันแ่เไว้อม่ยกไปดูต่อยตาเรื่องาาวแกก็ไม่อยู่จะไปเองไปได้าไปได้แนอยู่ทมันอยู่แค่อุ่นถ้าโจริงๆเขาไม่อยู่แล้วเพราะถ้าขืนอยู่เขาทาอะไรไม่ได้เขาแกล้งเราก็แกล้งไม่ได้ พี่พราอย่างนี้ถ้าม่ยันต์กอเพชรนะเรียร้อยไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเอาขายเลยดีกว่าตอนนียผมรวยเพราะตงเนี้ยโอ้โหไม่เชื่อเรอนผมถูระวังที่หนึ่งตั้งหลายครั้งแล้วถูตัวเดียวไม่ใช่ซื้อมาเป็นใบเต็มถูตัวเดียว โอ้ยก oh ็ไปกอก็ไม่ก็ถูกถูกน่นตัวเดียวนะจับจับาเป็นอะไรายใสบายใสาี่อะไรอ่ตัวนึ่งเดียวเลยอาณาข้าวงพ่อทุกย่างถตอนนี้ลูกครับประโยปากอยากจะเป็นพระโสดาบันประโปากจยากจะเป็น ทั้งที่ตอนนี้ยังไม่เรียนท่านนะคุณ ท, ทำสอนทงข้ออะไรๆลูกก็ทำได้หมดแล้วแต่มีอยู่อย่างเดียวคือสินหน้าข้อที่หนึ่งไอ้ตาชัว ก, กับมดลูกไม่สามารถจะแก้ไขได้เลยบางครั้งที่ไม่เจตนาวันลหลายตัว <c oughs> ทีนี้มันเข้าไปในห้อง น, นอนทำให้ลูกลำบากเป็นอย่างมากลูกจากจะข อ, ะอึุญบารมีหลงพ่อว่า ถ้าลูกเป็นวัตถินข้อนี้แล้วลูกจะเป็นโสดาบาันก็เรื่องหนึ่งกอจะได้หมคับโอเป็นได้มากกว่าเครื่เขาโสดาบันในชิ้นห้า 5, ช่ไหมนี่เราเป็น้นสี่นี่กมากกว่าเครโ อ, โ อ, โ, อโอ้สี่ <laughs> เอาอี้ดิเ อ, เอาผงกันมดไปโรยทั้ท่าที่นอนต้องหมดเรื่องโบราณไปกันก่อนใช่ใช่กันก่อนนะ ไตแต่ถ้าหากว่าเราฆ่าในเกศนานี่ถึงไม่ถ่ารอกมันก็เป็นขได้ใช่ใช่หลวงพ่อเจ้าขาวันนี้ลูกขอสารภาบาปความผิดของลูกที่มีต่อหลวงพ่อจมาฝากโดยหลวงก็เปใจ็อายหลวงพ่อใช่ได้เรื่อเรื่อเรื่องกว่ก็ไปดูคลากหนึ่งลูกไปถวรยค์พระคชาที่ว่าฆ่าคน ที่งานคนเ ย, เยอะๆต้องเข้าซือเขา้าซื้แถวยาวไปอย่างมากในขณะที่ถึงตอนลูกเข้าไปถวายพอลูกถวายปุบมันก็ตอบกลับมาคำนี้แล้วพาส่งตอนที่ลูกถวายลุงพ่ อ, อไปด้วยลูกคิดว่าการงานของลูกนี้คงได้ผลไม่ดุลแบบคงจะเป็นการตามาตอบกับลุงพ่อไปอย่าง เย็นขอสารภาพบาปและขอมาลาโทษกับหลวงพ่อด้วยคกางจีนนี่ไม่บาปนะโทษนี่ไม่บาปไม่บาปโทษไก็ได้แกล้งใอ้ดทษฆาไม่ได้ลรวประการสองโทษเป็นเรื่องยืนยันหลอจะทำม่มาเดี๋ยวมันว่ายนยันยืนยันไงยืนยันแทบตาพูดเงี้ยก็มีบางขอเลยพุด อมต่ไปดูผลได้ไหมเป็นจริงไอ้ทหนรก็ไปออกไม่ออกก้อไว้กันแก็ไม่เป็นไรนะไม่บาสไปเจ้าของก็มาหอกไม่มีอะไรไม่ไม่มีอะไรเป็นโทษนี่นี่นี่ไปตรวงนะครับแต่ทุจริตมันนี่ตอนนี้ผมไปแมลที่วัดมาธาตุนะไม่ทางไหนจะไล่ก็ไม่ตกเพราะตาผม เรียบ่าจนเกเ่พ่อเ่พ่อเข้าทำนี้เลยหม่องลูกไปตนเลยอโตรนาไปด้วยเลยเราเรียกหมัว่าหมองลูกเงินต้นกันนไม่เราว่าเขาเกบบ้านเขาห้ามตบ้อนมากเจอวิศรานเยอะเน่เนาอนาะ ที่ต่อไปอขอฝากที่เดียวหรืออย่างนี้ออเจ้าคา่ะเห็นคุณพ่อไม่ใส่เพื่อจุมปวายเกิดมาให้ตัวหนึ่งพันพูดว่าอย่างนี้เออให้เงินที่ทางขอนะสองพันบาทเสร็จแล้วาก็จะจไปลูกก็ไม่ทราบว่า่ันเป็นนี่คนใดไว้ก็เลยมาปรึกษาหลวงพ่อว่า ถ้าลูกจะเอาเงินมาถาวายหลวงพ่อสองพัน 2, แล้วบอกให้หลวงพ่อเอาโหรสิกรรมให้แก่คนที่ลืมไปไม่รู้เรื่องรู้ตัวนหลวงพ่อจะนับเงินสองพันได้ไหมเจ้าพระเนือ้อก็เอาไม่ดีกว่าให้ไปฝึกโโนยิทินนะถ้าไปติดต่อหลวงพ่อเขาเป็นนี่กับใครกันแน่ถ้าจะหลบมาไมให้คนนั้นเขาถ้าเขาไม่เอามาให้ฉันอยใช่ใช่ อย่งนี้ได้อโนเสือนะใช่เอางั้นนะแค่ได้ไม่พลาดเอาสรวนี้่าไปศึกษาติต่อให้รู้เรื่องเวลาก่อนนะแล้วพ่อเจ้าระลูกได้ไปรักษาพระโสนทาวสินโยมหัวหน้าอธิบายว่าสินพระโสนเป็นสินควงพาดพลาดหนึ่งก็กลับเป็นโทษคือขาดหมดก็ไปนานว่า ถ้าขาดข้อเดียวกันนั้นต้องไปไม่ได้เลยสักพ่อลูกจากเรียนสาวหลวงพ่อว่าวิธีที่จะมาทานถึงตัวบไม่ที่ให้ขาดเพียงข้อใดก็ถึงไม่ต้องขาดเป็นวงๆจกพูดก็ย devant, ังไงเจ้าค่ะแต่ถึงแปดปวงมันก็เอางี้ดิเขาตั้งใจไว้มาขอรับเป็นตัวๆแม่ห่วงแต่ความจริงทำไมขาดตัวไหนมันบาปเฉพาะตัวนั้นนะ เออไอ้จะเป็นพวงก็ตามเนี่ยราคาท่องพวงใช่ไมใช่ครับถ้าลูกไหนเสียมันเสียลูกเดียวอีกทั้งหมดมันไม่เสียเหมือนเช่นเดียวกันนีแม้สที่เราประมาณเร่ขาตัวไหนก็ตัวนั้นโดยเฉพาะขาตัวไหนก็าบางตัวนั้นเใช่ใช่ไอ้ที่เานะนำมมีสูงมีส่วนส่วนนะคณาจารย์ต่างมันตั้งขึ้นรู้จ้ไม่ตั้ง โปรไปหมดเลยที่หน้าเราวนเราลานลาบหรออไต้องมีมีสูงมีต่ำไม่แล้วใช่ใช่ไไม่ใช่เพาะไม่สูงไม่ต่ำกูขาดหมดเลยโอก็อนีไม่ขาดขาดใช่ขถ้าขาดก็เพอาะใดก็เฉพาะเฉพาะอ็ไรสบายใจสแบ่อ้าวไี่อะไรได้ายังในสนาที เขาบอกเลยดีกว่าเรื่อตั้งศาลก็ูมอะไรอะไรเลยนะไปอ่านหนังสือตอบปัญหาเล่มเล็กเลดที่นหรืออธิบายอย่อยๆเรื่อยๆเลยอ๋อเาบอกนี้บอกลูก <emotion> คิดว่าการตั้งศาลที่ได้ผลดีที่สุดนั้นต้องเอาผู้ที่ฉลาดมีบุญบารมีมากลูกพงใหญ่ไม่อยากจะลบคนลงพ่อถ้าหลงพ่อว่าจะไปสมทบหรอไม่ใช่ไม่ลบคนนะอันี่เข้าใจผิดแล้วหมายช่ คนที่มีบุญบารมีมากคือพระพุทธเจ้าต้องมมันพระพุทธเจ้าไปแล้วจะพูดอะไรได้เ่าพราะ้งถามแม่อะไรถามมันะอ่าตกตงเกีบเรื่องตั้งศาลนี่ทแนะนําซอองไปดูอ่านใช่ใชใช่ือไปนันะดีเหลือเกินอาจาบดโกมหลทุกท่เขาไปดูมันือได้ีทุก่นนะอ้าวที อ่านเล่อะไรหนังสืออ่านเล่นเล่นที่พิศโกรกจรแต่คลอดคอดแล้วหรืมั้งคอดแล้วเนี่ยหมอจำแยบอกขลอดแล้วคลอดแล้วเหรอใช่ก็แด้โอ้ก็ได้เพราะคนถามยังไม่ไม่รู้เรืองตรงนี้โอแล้วตรสีแดงในความจริงอ่าอ้แล้วก็คุณไม่ใช่ใหม่หรอไม่ไม่ใม่หรือด้วยอ่าผมคิดว่าต่อไปเนี่ย ตั้งแต่14 15 16ไปเนี่ยจะมีอะที่จะยืเล่นมากที่สจะลวบรมไป็กัระวันเลยเอาละครับผมก็เอวังปิดได้ใช่ไหมผมอ่านว่าที่ฉันเลื่อนไงมันเลยขึ้นมาทีที่ขุมเลย